นีท่ทำสมาธิไปจิตไม่มีแรงไม่ดี <c oughs> จ ะ, ะจัดกระจายหลวงพ่อนะทํทำสมาธิ22ปีต่อกันทำทุกวันไม่เลิกเลยไม่เจอหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตกำลังจากสมาธิ22ปีมีแรงเจริญปัญญาไนดะ้สองปี พอเลยนั้ น, นแรงมันตกแลเดิมทำแต่สมถนะพอมาเจริญวิปัสสนานะรู้สึกว่าแหมเสียดายเสียเวลาไปทำสมถานานมากเลยพอเดินวิปัสสนาเป็นนะไม่เอาสมถะเลยรู้สึกเป็นเครื่องเนิ่นช้านอกรีดนอกรอยไม่มีประโยชน์เจนวันหนึ่งไปบ้านตาดัด เจหลวงตามหาบัวท่านกําลังจะฉันข้าวไปขอโอกาสท่านาขอถามธรรมะท่านบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างให้นั่งรอนั่งรอท่านไม่ว่างท่านกําลังวกวักวกวกักนะให้พระจัดที่นั่งจะฉันข้าว <c oughs> ท่านดุจริงๆเสียงดังมีไม้ไว้อ่านเอไว้เคาะปุ้งปุ้งปุงปง้ไว้กระทุง้ง แทนสัญญาณสัญญาณอันตราย <c oughs> ใครมาทะเลาะทะล่าแล้วก็น่ากลัวพอท่านจัดระเบียบอะไรเรียบร้อยพอใจท่านละท่านหันมาว่างไงว่างไงมีอะไรเรียนท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาแ้่มันแปลกช่วงนี้ทาไมมันไม่พัฒนาเลย ท่านบอกว่าไอ้ที่ว่าดูจิตนั่นดูไม่ถึงจิตแล้วท่านพูดประโยคนี้เนละไอ้ที่ว่าดูจิตนั่นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ไปทํำเอาอไปไท่านบอกให้บริกรรมมาบริกรรมทํำอะไรก็ไม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์บอกให้บริกรรมมานั่งบริกรรม พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยนะหัวใจนะแน่นเหมือนจะแตกเลยรู้สึกพุโทโธเป็นส่วนเกินไปแล้วต้มาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมท่านจะให้เราพุโทโธเพื่ออะไรท่านว่าพุโทโธดีที่สุดเลยท่านทำมาด้วยตัวเองประสบการณ์บอกรู้ดูไปสังเกตไปหอว่าจิตเราไม่ถึงฐานแล้ว ที่ท่านให้จะบริกรรมพุโทโธเนี่ยเพื่อให้จิตเข้าฐานน่เองจิตมันกระจายว่างออกไปอยู่ข้างนอกเหมือนที่พวกเราจำนวนมากเป็นนะก่อนหน้านี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วเริ่มเข้าใจละว ใ, ใจมันจะกว้างๆออกไปนะมีความสุขมากเลยสุขอยู่งั้นน่ะสุขอยู่ได้เป็นเดือนๆอย่งนั้นจริงสุขได้เป็นกลับๆเลยตรงนั้นน่ะไปเกิดในโรโมะโลกเพมีความสุขอยู่เป็นกลับเลยอ๋อจิตเราไม่เข้าฐาน ปัญหาอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ถนัดที่จะพุโทโธเฉยๆแต่เล็กๆก็ทำแต่อานาปนสติทำมาตลอดเราก็ทำอานาปนสติไม่ได้เอาพุโทโธอย่างท่านออกหายใจแป๊บเดียวจิตทรวมนะสงบลงมาโอ้จิตเข้าบ้านแทบเคตหัวตัวเองเลยดันทิ้งสมถะเนี่ยสมถะถ้าทำได้เราไม่ทิ้งนะมีสมัยก่อนนะบางคน มันติดสมถะอย่างแรงนะเพ่งแบบเครียดไปหมดเลยใกล้จะสติแตกอยู่แล้วถ้าประเภทนี้หลวงพ่อจะบอกให้หยุดไปก่อนบอกอย่าเพิ่งทําสมถะบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าเราไม่ให้ทําสมถะไม่ให้ทำยังไงเราทํามาตั้งแต่เด็กพอจิตเข้าฐานนั่นก็เดินปัญญาต่อได้ mm hmm. ก็เห็นจิตนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว จิตเราเป็นแค่คนดูแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนานาชนิดที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเจริญปัญญาได้แล้วถ้าสมาธิเราพอถ้าจิตเราไม่ถึงฐา น, นมีอันตรายมากเลยในขณะที่ทําวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางและมีสติไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจถ้าเมื่อไหร่สมาธิเราไม่พอจิตมันจะเคลื่อนออกจากฐาน ไปรู้อะไรก็ไปจาเข้าไปตรงนั้นเลยนะตรงนี้เป็นความฟุ้งซ่านของจิตมีปัสจุนปกิเลยมี1ิอย่างนะเริ่มต้นโดยโอภาษมีแสงสว่างสว่างว่างมีความสุขอยู่นั้นเนะมแ่อในตรงที่จิตเข้าไปว่างว่างสว่างนะเรียกว่าธ ร, รมมุททัตจะฟุ้งในธรรมะชนิดที่หนึ่งเลยชื่อโอภาษ ทำไงถึงจะหายจากวิปัสสนูวิปัสสนามีสิบอย่างนะอย่างบางคนนะตอนอยู่ปกติเนี่ยเหมือนคนธรรมดาเป็นคนที่ดีมากเลยแทบจะเรียกว่ามนุษย์เปอร์เฟกเลยแต่พอคิดถึงธรรมะเมื่อไหร่นะจะคุมตัวเองไม่อยู่ละมันอยากพูดธรรมะมันอยากพูดแล้วอยากรู้แล้วทนไม่ได้นะนะอ๋อมันอย่างนี้เลยนะมันเคยเจอแล้วมนอย่างนี้เลยคล้ายๆผีเข้าเนี่ยแล้วเจอใครนะจะสอนธรรมะไปหมดเลย อยาพูดธรรมะให้เขาฟังนะมีญาติญาติคนหนึ่งก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่ขนาดอย่างนี้นะตื่นขึ้นมาทีหนึ่งทีสองเรียกเมียให้ตื่นด้วยเธอมาฟังเทศฟังเทศจะอธิบายธรรมะให้ฟังนะอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยมีปัศโนยอย่างหนึ่งแหละมีปัศโนยแบบนะสติเข้มแข็งมากเลยสตินี่แน่นเปรี้ยเลยนะใจก็นิ่งเลยแนวนิ่งเลย แค่มองลืมตามองอากาศข้างหน้าเนี่ยเห็นอากาศเป็นเม็ดๆ เ, เ, เลยใครเคยเป็นไหม <c oughs> แล้วจิตมาออกนอกจิตออกนอกทั้งหมดเลยนิปัสสนูสิบอย่างนะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าธรรมมุททจะความฟุ้งซ่านในธรรมะสิบประการอันนี้พระอนนท่านเคยสอนอยู่ในพระสูตรนะเป็นพระสูตรที่พระอนุนสแสดงไว้ท่านบอกธรมมุททจะเนี่ยถ้า ทีแรกท่านพูดถึงการปฏิบัตินะมีหลายแบบใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันแล้วหมดสุดท้ายท่านไปพูดเรื่องทำมุทั จ, จะคือวิปัสสนูสิบอย่างสมัยยังภาวนามไม่เป็นนะรู้สึกพรานนทพูดอะไรไม่ต่อกันใช่ไหมใช้สมาธิปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันแล้วไปจบท้ายด้วยทำมุตททจะ คือวิปัสสนูมาพอนาถึงรู้นะวิปัสสนูไม่เกิดเลยถ้าไม่ได้ทําวิปัสนาเหรือนวิปัสนานท่านจะทําได้หลายแบบใช้สมาธินําปัญญาปัญญานําสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันวิปัสนาเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นทั้งสแบบนี้มีโอกาสเกิดวิปัสสนูด้วยกันทั้งสิ้นเลยท่านก็สอนวิธีแก้วิปัสสนูจากการเจริญปัญญาทั้งสาแบบนี้บอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นนะ ก็จะพ้นจากธรรมมุททจะจิตถึงฐานจริงๆนะวิปัสสนูหายเลยเนื้อถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะอ่านธรรมะนั้ไม่ถึงอกถึงใจถ้าอ่านแล้วงงๆทําไมเอาคนละเรื่องมาต่อกันที่แท้เรื่องเดียวกันก็เดินปัญญาไปนั่นแหละยังไงก็หนีไม่พ้นวิปัสสนูภิกิเลศหรอกถ้าหนีไม่พ้นนะก็ต้องรู้วิธีวิปัสสนูเกิดได้เพราะสมาธิไม่พอจิตตั้งมั่นไม่พอยังไงก็ต้องเจอ นะไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองสามอย่างอะไรเนี้ยยังไม่เคยเจอใครที่ได้สิบอย่างยังไม่เคยเห็นนะคงไม่มีใครแก้ให้คนที่หลบพ่อเล่ามีอยู่คนนะปกติก็เหมือนคนธรรมดาแหละได้ยินธรรมะได้ยินธรรมะนะคิดถึงครูบาอาจารย์นะจ ะ, จะลืมตัวเองเลยปลื้มใจมากนะรวยนะคนนี้รวย เอาเงินนาะใส่ตะกล้าเลยเดินแจกด้วยความปลืม้มปีติแรงไปปีติมากก็เป็นวิปัสสนูนะปีติครอบงำจิต <Yeah. S 1> ถามญาติพี่น้องว่าทำไมไม่ให้ครูบาอาจารย์แก้ให้เคยพาไปครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านไม่แก้ท่านแก้ไม่ไหวคนนี้ก็ ล, ลงอันดับ ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่แก้ไม่ไหวก็ต้องปล่อยนะนะความจริงมันง่ายนิดเดียวนะถ้าจิตเข้าฐานทีเดียวหายเลยนะงั้นที่หลวงพ่อจําจีจ้จาชฉ่พวกเรานะว่าต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์เบื้องต้นเลยทำให้เราเดินมิปัสนาได้จเจริญปัญญาได้ถ้าจิตไม่ถึงฐานนะจะไปรู้อะไรมันจะถล่มลงไปรู้หมดเลยจิตกับสิ่งที่เราไปรู้จะไปรวมเป็นอันเดียวกัน เมื่อมันไปรวมเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าเกิดคณ ะ, อะคอร์คังนอนหนูมันการรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมามันจะปิดบังไม่ให้เราเห็นอนัตตาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้กายจะเห็นว่ากายกับจิตนะักควรละอันกันกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็จะเห็นนะว่าเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ย ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตตั้งมั่นเห็นราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะในสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันงั้นถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยเราถึงจะทําวิปัสสนาได้ถ้าจิตตั้งมั่นไม่พอจะเกิดวิปัสนนะูถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็แก้วิปัสณูได้งั้นเรื่องจิตตั้งมั่นสําคัญนะ ตั้งแต่จะเริ่มต้นจเจริญปัญญาเนี่ยต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนจเจริญปัญญาไปแล้วพอความตั้งมั่นไม่พอมีปัสนูจะแทรกมีปัสนูแทรกเนี่ยทำจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาก็าหายจิตจะหลุดออกจากการอินไปตามอารมณ์ต่างๆของวิปัสนูพวกนั้นนั่นอย่างบางคนจิตไปติดว่างโล่งว่างว่างว่างสบายสบายนะ ใจจะกว้างกๆเางเาไ้นะสบายมีความสุขละละโอ้ล่ล ะ, ละ <c oughs> <c oughs> จิตไม่ออกข้างนอกถ้าจิตถึงฐานปุ๊บหายปั๊บเลยนะยงั้นเราต้องเรียนไว้บ้างนะเรื่องวิปัสสนูเพราะว่าพวกเรามาเรียนที่หลวงพอ่อหลวงพ่อมันได้สอนพวกเราหยุดแค่สมถะถ้าทําแค่สมถะจะไม่เจอวิปัสสนไปกิเลสจะเ จ, เจอนิมิตนะนิมิตเป็นของหลอกลวงผู้ทําสมถะ วิปัสสนูปกิเลสเป็นของหลอกลวงผู้เจริญวิปัสนามีบางท่านนะเกิดวิปัสสนูก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์ละวิปัสสนูปกรณ์เนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เป็นปุถุชนนะแล้วทําวิปัสนาเพื่อจะเป็นพระโสดาบันก็มีวิปัสสนูได้เป็นพระโสดาบันนะทำวิปัสนาเพื่อขึ้นสกทาคาก็มีวิปัสสนูได้นะ จนถึงอนาคาจะขึ้นพระอรหันตนะ์จเจริญมีปรัชนาอยู่ก็เกิดวิปัสสนาได้นั้นเกิดได้ทุกขั้นตอนเลยเพียงแต่เขาเรียกชื่อให้ต่างกันหน่อยเพื่ดูมีศักดิ์ศรีหน่อยถ้าเป็นปุถุชนแล้วทําวิปัสนาแล้วเกิดวิปัสนาเขาเรียกว่าวิปัสนาแต่ถ้าเป็นพระรยะบุคคลเกิดวิปัสนาเขาเรียกธรรมมุททัตจารุ่งสั้นในธรรมะนะเรียกเรียกชื่อให้เพราะหน่อยอย่างที่พระอนนท่านเรียกความจริงตัวเดียวกันนะ งั้การที่จิตจะถึงฐานนะเป็นเรื่องใหญ่ทําให้เดินปัญญาได้ทําให้พ้นจากวิปัสสนูได้จิตถึงฐานยังมีความสําคัญมากอีกอันหนึ่งในขณะที่เราเดินปัญญาเรื่อยไปนะจนศีลสมาธิปัญญาแก่รอบคุณงามความดีทั้งหลายแก่รอบเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจิตถึงฐานนั่นเองโดยไม่ได้เจตนาจะให้เข้ามาเลยนะ อจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตุบสติระลึกรู้ลงที่จิตสมาธิตั้งอยู่ที่จิตปัญญาค้นคว้าพิจารณาลงในจิตทุกสิ่งทุกอย่างนะประชุมลงที่จิตหมดเลยที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายที่เราอุตสาหสะสมมาทีละอย่างสองอย่างถึงนาทีนั้นคุณงามความดีทั้งหลายประชุมลงที่จิตด้วยอํานาจของสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธินะสมาธิที่จิตถึงฐานจริงๆนะ ในขณะนั้นเวลาตัดกิเลสนะเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยเกิดที่จิตไม่ได้เกิดนอกจิตนะเกิดที่จิตเลยงั้นเวลาล้างกิเลสนะล้างกันที่จิตนี่เองสมาธิตั้งลงที่จิตนะสติระลึกรู้จิตศีลสมาธิปัญญานะประชุมลงที่จิตหมดศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาประชุมลงที่จิตหมด คุณงามความดีทั้งหลายรวมพลังลงที่จิตในขณะจิตเดียวกันในเวลาเดียวกันนั่นเองนะจะเกิดเป็นพลังงานอันมหาศาลในะถ้าความดีทั้งหลายยังแตกกระจายกระจายกันอยู่นะ<ม>ก็มีพลังไม่มากแต่ถ้าคุณงามความดีทั้งหลายผนึกตัวรวมพลังกันเข้าเป็นหนึ่งในขณะเดียวกันนะรวมลงที่จิตขณะเดียวกันจะเกิดอริยามรรคขึ้นนะเป็นพลังที่จะล้างผลกิเลสถอนรากถอนโคนกิเลส เริ่มตั้งแต่ถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเป็นพระโสดาบันถอนความรักใคร่ในกามเนะี่งถ้าเราเดินมาทางกายจะเห็นเลยกายไม่ใช่ของดีรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาไม่ใช่ของดีจิตจะคลายไม่เอาละปล่อยกามทิ้งไปหมดเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าเดินมาด้วยการดูจิตนะจะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากมีความยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาทั้งหลายนะ จิตจะมีความทุกข์จิตเลยไม่เอาอันนึงนะเห็นแจ้งในตัวกรรมคุณอารมณ์แล้วไม่ยึดนะอีกอันนึงเห็นแจ้งปฏิกิริยาของจิตว่าถ้าจิตไปยึดในกรรมคุณอารมณ์แล้วจะทุกข์เลยจิตไม่เอาจนะาดูมาคนละแบบนะแต่ผลสุดท้ายเหมือนกันนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดแล้วนะจิตจะเด่นดวงอยู่ที่จิต เมื่อภาวนามาถึงขั้นนี้แล้วนะเป็นได้ธรรมะชั้นที่สแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยธรรมชาติเลยนะแต่ว่าเวลาเข้าฌานอะไรอย่างนี้ยังเคยชินบางท่านยังเคยชินอยู่แต่เลาเข้าฌานจิตยังเคลื่อนไปเคลื่อนไปในฌานเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ยังเกิดอีกแต่จะเกิดในภพของผลมเท่านั้นจิตจะไม่ไหลไปในกามแต่จิตจะไหลไปในฌานเพราะฉะนั้นยังจะไปพรห ม, มโลกอีก หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อไว้บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวจิตตัวผู้รู้นี่แหละคือกองบัญชาการของอวิชชานะซ่อนเร้นอยู่ในนี้เองเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดหวงแหนที่สุดก็คือจิตของเราเองนี่เอ ง, เองทุกวันนี้ ท, ท, ที่ดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อะอะไรเพื่อจะได้มีความสุขถามว่าใครมีความสุขจิตมีความสุขใช่ไหมจะได้สบายใจ ทำงานเหนื่อยแทบตายเลยจะได้มีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยมีเงินเยอะๆร่างกายสบายไม่ร่างกายเหนื่อยแทบตายเลยไปทํางานใช่ไหมแต่มันสบายใจเพราะสนองทั้งหลายนี่นะลึกลงมาที่สุดนี่ฉนองความพอใจของจิตนะยอมให้ร่างกายลําบากก็ได้นะแต่เพื่อสนองความพอใจของจิตเนี่ยจิตเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดห่วงแห็นที่สุดถ้าปัญญาแก่รอบนะรู้ลงไปเลยจิตนี่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงนะไม่มีอะไรเป็นตัวทุกข์เท่าจิตอีกต่อไปแล้ว แต่เดิมไม่เคยเห็นอะไรเลยเป็นตัวสุขเท่าจิตที่ทรงฌานอยู่นะแต่มาปัญญาแก่กล้าเนี่ยจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์เหมือนเช่นที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์แล้วปล่อยวางกายมาแล้วนะก็จะเกิดอาการที่จิตปล่อยวางจิตขึ้นนะตรงที่จิตปล่อยวางจิตจิตก็อยู่ที่ฐานอย่างนี้แหละนะแล้วก็ขาดกันลงที่ฐานของจิตน่เองนะงนั้นจิตตั้งมั่นถึงจิตจริงๆเลยนะตัวนี้ใช้งานจนถึง วินาทีสุดท้ายนะของการบรรลุอรหัตตะมักอรหัตะผลเกิดขึ้นก็เกิดอยู่ที่จิตอีกนะแต่ว่าภาวะอันนี้แปลกไปแล้วมันจะแตกต่างจากตัวรู้ที่เราเคยมีเคยเป็นนะจะแปรสภาพจากตัวรู้ซึ่งมันถูกทิ้งไปจะเกิดาธาตุรู้ขึ้นมาแทนนะเป็นาธาตุรู้ซึ่งแปลก ถ้ารู้นี้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเต็มโลกธาตุเลยไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้นะไม่ต้องรักษาด้วยถึงตรงนี้จะบอกว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมไม่อยู่ที่ฐานจิตไม่มีที่ตั้งแล้วจิตนี่เต็มโลกธาตุไม่เรียกว่ามีฐานที่ตั้งอยู่แล้วตอนหลวงพ่อหัดพานานะไปถามหลวงปู่ทีหนึ่ง ให้เห็นจิตมันไหวๆอยู่ที่นี่เอ๊ะตัวรู้ก็อยู่นี่ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนนึกว่าท่านจะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะให้เห็นมันปรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งเราถามก อ, อกไก่นะหลวงปูต่ตอบพอต้งคูกจิตที่ไม่มีที่ตั้งจิตพระอรหันต์ท่านกลัวว่าเราจะไปหลงงมหาที่ตั้งของจิตท่านสอนข้ามช็อตเลย นั่นเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะยากนะยากต้องภาวนากันแรมปีเลยพอไหวไหมเพราะงั้นสรุปนะที่พูดรอบหลังเนี่ยคือต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจิตให้สงบนะไม่เหมือนกันจิตที่สงบนะัไม่เดินปัญญาเพราะมันสงบมันจะพักผ่อนเอาไว้พักผ่อน ให้มีเรี่ยวมีแรงต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพื่อจะได้เดินปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางจิตเป็นคนดูอยู่และไม่เข้าไปแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ยินร้ายนะีย่ฝึกไปเรื่อยเลยตอนที่เกิดมากเกิดผลอะไรเกิดที่จิตทั้งสิ้นเลยนะ หลวงปูดูลยเกยสอนหลวงพ่อสุจินนะรู้ที่จิตละที่จิตเห็น <c oughs> ท่านชอบพูดเรื่อยๆนั่นะ ล, ลงมาที่จิตอันเดียวงั้นต้องพยายามนะ <c oughs> ทุกวันทําในรูปแบบแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ซ้อมอย่างนี้ให้มากเลยถ้าวันไหนฟุ้งสั้นมากดูไม่รู้เรื่องทําสมถะเลยนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะ แบบรถไฟไทยอ่ะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะคนไหนเขามีรถจะหลวดแล้วของเราก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่า ง, ย, งยังเก่าไปฝึกเอานะเอาใครมีกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนให้สิทธิ์จิตก็มีแรงขึ้นคะ่ะแต่ยังไม่ตั้งมั่นแล้ ว, ว่ามีช่วงที่อคตสนจิตเกิดขึ้นก็ยังใช้ความคิด ไปพิจารณาหาเหตุผลอยู่โดยไม่ได้ดูจริงๆเข้าไปค่ะดูไม่ได้ก็คิดพิจรารณาคคิดพิจารณาเป็นอุบายเป็นอุบายเอาตัวรอดเป็นครั้งคราวนะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกแต่ว่าเอาตัวรอดไปก่อนกับน้าพ่อค่ะอื ม, อมเ อ, อเมื่อคืนนี้ประมันทุ่มกลัวก้อยพาสวมมอนแต่ไม่ได้ยิงเสียงอะไรอืมพอประมาณถ้าสองทุ่มนิด น, นิดนะ ได้ยินเสียงข้างล้งมันรู้เสียงอะไรอ ม, มันก็อิสลามร้องอะไรก็นมันรู้นะฟังไม่ออกมันเป็นอะไรคุณอ่านกันเลยยินเช้านี่คุยกัน <laughs> แล้วเดียเ๋ยวแอมันเป็นเสียงอะไรทีแรกเนือ่องจิตมันปงแต่งแองนะอพยายามฟังฟังมาเออมันเป็นคือเสียงอะไรแต่ฟังไม่ออกแล้วเดีไปดูหน้าต่างก็เงียบๆก็ไม่มีอะไรอ <laughs> น้ำพ่อนี่คือเสียงอะไรคะเป็นนิมิตเสียง นิมิตนั้นเป็นรูปก็มีนะเป็นกลิ่นก็มีเป็นเสียงก็มีเป็นรสก็มีนะเป็นสัมผัสทางกายก็มีนะอนิมิตมีหมดเลยนะออันนี้เป็นนิมิตเสียงแต่ว่าไม่ว่านิมิตอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะให้เรารู้ทันจิตของเราไว้นิมิตจะหลอกเราไม่ได้นะนิมิตก็ไม่ใช่จิตมันปรุงแต่งเองใช่ไหมจิตมันปรุงนั่นแหละเอาจิตมาปรุงอ่ะจิตมันปรุงขึ้นมาเราก็รู้ทันนะนิมิตมีสองอันนิมิตภายในกับนิมิตภายนอก นิมิตภายในเนี่ยจิตปลุงขึ้นมานิมิตภายนอกเนี่ยจิตออกไปรู้ไปเห็นมาอือย่างเวลาเรานั่งสมาธินะเราเห็นเทวดามานั่งเต็มเลยจะมารอฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นนิมิตอ๋อนี่นิมิตเนี่ยอาจจะเป็นเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมก็ได้หรือเรานั่งอยู่เราเห็นผีโผล่ขึ้นมาผีมานั่งทําตาโตโตอยู่นะออันนี้อาจจะผีจริงหรือเป็นผีที่จิตปลุงขึ้นมาก็ได้อ๋อมิธีการก็คือให้ย้อนกลับมารู้ทันจิตเช่น จิตมันกลัวผีรู้ว่ากลัวนะความกลัวหายไปจิตเป็นกลางแล้วย้อนออกไปดูอีกถ้าเจอก็แสดงว่าตัวจริงอถ้าไม่มีแล้วก็แสดวงว่าจิตเราปลุกขึ้นเองเสียงก็เหมือนกันอนถ้าเราย้อนกลับมารู้ทันจิตเรานั้วถ้าย้อนกลับออกไปแล้วถ้าเสียงปลอมเกาหายไปถ้ามันมีเสียงจริงๆก็ได้ยินแล้วเลยเสียงนี่มันเลือดจะทํางานถึงจะหายได้ปัดเสดีลมพ่อกอบเสียงมันเลยโล โอนชนะเนาะตอนทสก็ฟังแต่ซีดีเสียงหายไปเลยไม่ไม่ได้ยินเลยถ้าเราสนใจทําอะไรสักอย่างนะเราจะลืมอืนอ่นไปอออย่างเราอ่านหนังสือนะคนมาเรียกเราเราไม่ได้ยินเลยเพราะเราสนใจอ่านหนังสือเราฟังซีดีหลวงพ่อเราไม่ได้สนใจฟังเสียงแปลกๆเราก็ไม่ได้ยินมันอแล้วจิตมันรู้อารมณ์ชัดได้อันเดียวค่ะ ขอบคุณค่ะโอ้เดี๋ยวนี้มาม่านี่เข้ <c oughs> มแข็งขึ้นยอนนะนี่เรียกว่าธรรมะทำให้องค์อาจธรรมะทำให้กล้าหารกลับหลวงพ่อครับเมืม่อคืนนี้ที่ว่ามีเสียงอะ่ะก็ได้ยินโ อ, อแต่ว่า ถ, ถ้าเราถ้างั้นคงจะเสียงจริง <laughs> <laughs> ถ้าเราไม่กลัวจริงจริงนะถ้าพูดถึงว่ามีผี ก็มีคนเนี่ยถ้าเราไม่กลัวผมว่าผีกลัวคนโอ้คนเนี่ยแข็งแรงกว่าผีนะครับผีไม่มีร่างกายเรามีร่างกายที่หยาบกว่าผีแข็งแรงเมื่อคืนนี้ฟังๆดูแล้วพอสดมนหน้โมอตาสะสามครั้งไม่ได้ยินเลย<อ>หายไปเลยสงสัยจะผีละมั้ง <laughs> ค, ค, <c oughs> คือถ้ามันมีใครเปิดไว้นะมันก็ยังไม่หายกล่าวนมัสกาลหลวงพ่อค่ะหนูฝึกดูเวทนาค่ะพอจะแยกจิตมาเป็นผู้รู้มันกดค่ะมันกดมันแน่นดูเวทนาจิตต้องมีสมาธิมากพอนะกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถญ า, านิกนั้นต้องทำสมาธิให้เยอะๆก่อนแล้วก็ดูลงไปที่ร่างกาย สบายๆรู้สึกในร่างกายสบายๆมีเวทนาอะไรแปลกปลอมขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่ไปจ้องใส่เวทนานะไม่จ้องให้เครียดเลยให้มาเวทนามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาก็รู้ก็รู้สบายๆรู้ไม่ใช่เพื่อให้เวทนาหายแต่ว่ารู้เพื่อให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเหรอกเวทนาก็เป็นขันขันหนึ่งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราเหรอกไม่ใช่นั่งเอาชนะเวทนาด้วยนะ นั่งสมาธิแล้วปวดเนี่ยออกจะนั่งเอาชนะเวทนาถ้านั่งได้นั่งไปหลายชั่วโมงหายปวดนะไม่ได้ปัญญานะแต่ได้ขันติได้อธิษฐานบารมีได้หลายๆอย่างได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าจะดูให้เกิดปัญญาเราก็จะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างเนี้ยเรียกว่าได้ปัญญาจะห า, หายหรือจะไม่หายไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราเข้าใจความเป็นจริงของมัน งันะ้นดูเวทนาไม่ใช่ดูเพื่อเอาชนะนะแต่ดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ต้อไปฝึก อ, อย่างนี้นะถ้าไตรลักษณ์เนี่ยแสดงอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดจะเอาชนะนะันเครียดตายเลยขอบคุณค่ะกลับธรรมส ก, การหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยแนะนําให้ผมดูกายครับแล้วก็ช่วงก่อนนี้รู้สึกว่าการดูมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่ามันความจงใจมันน้อยลงอะครับไม่ทราบว่าผมเห็นถูกก็ดีนะ ดูไปเรื่อยกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต่อไปก็เข้ามารู้ทันจิตใจแไปความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเข้ามามันก็เห็นเองแหละแล้วม <นะ S 1> ีผมต้องทําอะไรถูกแล้วล่ะทําอย่างที่ทำเนี่ยทาถูกแล้วขอบุญครับนมัต ก, การส่งกันบ้านที่เมื่อวานหลวงพ่อแนะนําให้รู้ทันในเรื่องความอยาก Mm hmm. แล้วอยากถลําตัวไปจัดการ mm hmm. ค่ะทีนี้ก็วันนี้เดินไปทานข้าวอีกมันก็มีความอยากที่จะเอาชนะเพื่อนในการเดินแข่งเพื่อไปไปถึงก่อน mm hmm. แล้วก็ตัดข้าวค่ะทีนี้ก็พอรู้เสร็จมันจะมีความรู้สึกในของชอบเกิดขึ้นตามที่จะทำตรงนั้น mm hmm. สักแป๊บหนึ่งมันก็พอรู้มันก็ดับ ดับแล้วมันมีความเกลียดเพื่อนขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็ก็รู้สึกตามมาอีกว่าไม่ชอบมันติดติดกันเลยค่ะมันเร็วนะจิตมันทำงานเร็วมากดีที่เห็นนะค่ะเสร็จแล้วตรงนี้ไม่ทราบทำถูกไหมคะถูก ถูกนะคะมีความรู้สึกเกิดแล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นก็ถูก น, นี่คือรู้เท่าทันเพื่อเพื่อทําให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมคะเอาไม่ใช่อันนี้เราเห็นสภาวะแล้วเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนี่อยู่ในขั้นเดินปัญญาขั้นเดินปัญญาออใช่ไหมคะแต่ถ้าตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตไหลไปแล้วคอยรู้น ะ, ะอันนี้มันจะจิตไหลจิตมันไหลไปเรียบร้อยแล้วไปโลภไปโกรธอะไรขึ้นมาแล้วน ะ, ะ เ, รเราไม่ทันตรงนั้น<อ>ใช่ไหมมันไปปรุงละ แต่ <ไป S 1> ว่าจิตเราไม่ไหลไปจิตเราเป็นคนดูนะเราก็จะเห็นเลยความโกรธกับจิตนุ่นโคลนอันกัน อ, อีกประเด็นนะเจ้าคะ่ะจะถามว่าคําว่าศีลอัตโนมัติที่เกิดในในความรู้สึกในถ้าเกิดแล้วในชีวิตประจําวันเราจะรู้สึกยังไงคะเป็นทุกในการเกิดหรือเปล่าคะฮะหมายถึงว่านการมีศล หมายถึงว่าจากที่เคยทําอย่างข้อสี่เลยเนี่ยเคยพูดดินทาเพื่อนอได้รับไม่รู้สึกยังไงแต่พอปฏิบัติเจริญสติปฏิบัติด<ต>้ว น, น ะ, ะมันจะรู้เลยใจมันเริ่มจากใจมันฟุ้งซ่านนะใจมันฟุ้งซ่าน ร, รู้ทันมันก็ไม่พูดอะไรหรือถ้าฟุ้งซ่านอารู้ไม่ทันนะก็เกิดราคะบ้างโทสะบ้างก็จะไปว่าเขาไปอะไรเขาไปแซวเขานะเรามีสติรู้ทันมันก็ไม่มีการทําผิดศีลขึ้นมา แล้วจิตความรู้สึกเราจะเป็นทุก์ในการที่จะไปพูดว่าให้เขาเหมือนเดิมนั้นหรือเปล่าคะความรู้สึกเราขนาดนั้นมันไม่พูดหรอกพอทันทีที่เรารู้ทันกิเลส ท, ที่จะผลักดันให้ไปว่าเขาเนี่ยนะกิเลสดับนะั้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมนะมันไม่ว่าเขาหรอกและอย่างต่อไปพอสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเวลาเราจะทําผิดศีลเนี่ยเราจะละอายใจเรารู้สึกอายตัวเองเลยโอชั่วจริงๆเลยจะไปว่าเขานั้นเนี่ยตัวเองอะชั่วยอยู่เห็นๆเลยนะย มันจะรู้สึกอย่างนี้นะเพราะมันะละเจลาอายใจมากเลยที่จะไปทําผิดศีลแล้วถ้าเราต้องไปทําผิดศีลเราก็รู้เลยว่าจะต้องมีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะเกลงกลัวผลของการทําชั่วถ้าเราได้อย่างนี้เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเทวธรรมนะธรรมะของเทวดาเลยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาะนะมีศีลที่งามแต่ถ้าเป็นทุกข์ในขณะนั้นแล้วรู้สึ ก, กว่ากางังวลก็คือต้องรู้รู้ทันกิเลสตัวใหม่เกิดแล้วโทสะกําลังเกิดอยู่ นะอนุโมทนาค่ะโยมอย่าคิดเดยอะนะการนมัสการค่ะโยมส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะเ อ, อว่ามามปฏิบัติดูกายค่ะออแต่หนูจะบังคับอะค่ะอยากให้หลวงพ่อชี้แนะด้วยก็อย่าไปบังคับสิ่ชี้แล้ะอย่าไปบังคับ <Yeah. S 1> ดูกายเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ดูเอาดีเอาวิเศษอะไรหรอกนะ <c oughs> หนูหนูลืมเพราะว่าดูดีกว่า ดูเนะี่ยคล้ายๆแหมมีงานต้องทําเข้มข้นนะต้องไปคอยจ้องไว้ถ้าจ้องไว้ใจจะแน่นแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันแค่รู้สึกเท่านั้นอ่ะไม่ต้องไปจ้องใส่มันถ้าแค่รู้สึกได้นั้นมันก็ไม่แน่นถ้าไปจ้องใส่มันก็แน่นไปเพ่งเอาแค่รู้สึกใช่ไหมตัวนี้มันพยักหน้าอยู่เดี๋ยวมันก็จะคลายออก นมัสการคะ่ะหลวงพ่อคือว่ามันไม่จริงใจอะคะ่ะแต่ ว, ว่าถ้าเวลาเห็นคนอื่นเขาลำบากโอ้จะแบบย่อเย้ยก่อนแล้วค่อยช่วยเอาทีหลังเนะะี่ยค่ะ <c oughs> ก็ยังดียังช่วยทีหลังเสแสร้งแค่คนอื่นแคะ่ค่ะอ๋อเสแสงช่วย <c oughs> ดีมากนะที่เราเห็นเรารู้ทันกิเลสของเราการที่จิตเราไม่ดีจิตเราเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าชมนะ เราแบบมันลิ้ศยาคนอื่นค่ะแบบห้ามไม่ได้หรอกในห้องนี้ใครใครไม่เคยลิ้ศยามีไหมย้ยงมือสิแม่ลิ้ศยาทั้งห้องเลยอลิ้ศยาขึ้นมาก็รู้ว่าลิ้ศยานะห้ามมันไม่ได้หรอกเรารอ ค, ค, คอยรู้บ่อยๆขอบคุณค่ะนรมาสการหลวงพ่อครับช่วงนี้คือมันเหมือนดูอะไรไม่ได้เลยดูอะไรไม่ได้รู้ว่าดูไม่รู้เรื่อง รู้ว่างงรู้ว่าดูไม่รู้เรื่องก็ยังไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมอะไรก็เท่ดีแล้วนี่นะแต่มันเหมือนใช้หลักที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าน ะ, ะดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องเป็นหมดแล้วทำความสงบทำสมถะนะงั้นเราไหว้พระสวดมนต์ไว้เราเป็นสมถะอยู่แล้ว แล้วก็สวมดมนต์ไปเรื่อยๆต้องทํามากขึ้นและบำหมายถึงแล้วสวดให้สม่ําเสมอมีเวลาเราก็สวดไม่ต้องรอว่าถึงเวลาเท่านี้นาฬิกาแล้วค่อยสวด น, นะว่างเมื่อไหร่ก็สวดในใจเราไปเรื่อยเราจะได้สมาธิขึ้นมาใช่นับลมอะไรองี้ได้ได้ได้อะไรก็ได้นะแต่ทำสักอย่างหนึ่งอะอะไรก็ได้คือเมื่อไหร่ที่ดูไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยให้ทําสมาธิจาหลักไว้เลยนะ ันทำสมาธิไปช่วงหนึ่งจิตจะมีเรี่ยวมีแรงก็จะมาดูกายดูใจต่อไดม้มันเกิดจากการที่เราบางทีเหนื่อยเกินไปใช่เหนื่อยเกินไปถึงต้องทำสมาธิให้ใจมีแรงรรนะมาสักการหลวงพ่อค่ะคือช่วงนี้ จ, จิตมีกําลังค่ะเออคนดีสิขอขอการบ้านค่ะฮะตอนนี้จิตปกติไหม ตื่นเต้นมากค่ะนะอย่าไปกดมันนะชอบใหมค่ะออย่าไปกดมันไว้รู้อย่างที่มันเป็นนะ <Okay. S 2> รู้สบายๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยดูไปเรื่อดูกายเยอะๆหน่อยนะ <Okay. S 2> เราเป็นคนรักกายมากนั้ <Okay. S 2> ดูกายบ่อยๆค <Okay. S 2> แล้วดูกายมากๆนะจะเห็นทั้งกาย <Okay. S 2> เห็นทั้งจิตแหละ <Okay. S 2> นะต่อไปกลุ่มไหนก็ได้นะ <Okay. S 2> อาเชิญกราบนมำสการเจ้าคะ่ะ หกเดือนส่งการบ้านหนึ่งครั้งดีดีส่งทุกวันไม่เดีอกเจ้าค่ะจากที่เดิมเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า4ปีที่ผ่านมาตามที่เองตั้งใจ7ปี7เดือน7วันนะเจะ้าคะสปีผ่านมาบอกว่าผ่าตัดสองครั้งคลอดลูกสองครั้งยังไม่เท่ากับเวทนาเ พ, พิ่งมาทราบเอาตอนนี้ว่าเดิมเ <c oughs> องไปเล่นกับมันนะบริโภคทรมานสุดๆ <c oughs> ใช่ให้สักวารู้ว่าเห็นไป S <S แยกกายแยกใจแยกเวทนาพอหลวงพ่อบอกว่าให้จิตตั้งมั่นแล้วให้ให้ฝึกแยกให้กับมันก่อนก็เลยพอฝึกแยกก็เลยเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนเหมือนมันไม่ใช่ตัวเราอะออมันเป็นสิ่งที่สกรปรกมีขนขึ้นดูเป็นถึง1ิบสิบองจุดโอ้ยมีขนขึ้นเยอะแยะเหมือนยิ่งประสัตเจา้าค่ะแล้วก็มีสิ่งสกปรกไหลออกจากร่างกายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นพึ่งรู้ตั้งห้าสดวาร่างกายเราเหม็นขนาดนี้เจ้าค่ะแล้วก็เห็นเวลาเดินเราเห็นเป็น เป็นกระดูกเดินขยโยกขยเยกเราอยู่ในถุงหนังเดินขยโ<ม>ยกขยเขยกเดินไปไหนก็เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะค่ะ<ม> <c oughs> ก็เลยมันก็มันรู้สึกผอืดผะอมเลค่ะไม่อยากกินก็ไม่อยากกินนอนก็ไม่ให้รู้ทันที่จิตนะจิตไม่เป็นกลางาแล้วแต่ถามจิตจิตมีความสุขค่ะหลวงพ่อจิตมีความสุขส ง, งบแล้วก็คือการาภาวนาที่ถูกเนี่ยนะเราจะไม่รักเราจะไม่เกลียดอย่างนี้ยังเกลียดกายได้ให้รู้ทันว่ารู้สึกกายหน้ารังเกียจให้รู้ทันตัวนี้ลงไป วนะ่าใจเนี่ยพอเกลียดกายมากไม่ได้เอาเข้าไปหาความสุขทางใจอย่างเดียวเดี๋ยวไปติดตรงนั้นอีเจ้าค่ะก็สุขสงบแต่อีกจิตนึงกับว้า ว, าวุ่นแบบเหงาเศร้ากลัว ม, ม, มีอาการหลายอย่างแต่แต่ผ่านไปแล้วหมายถึง6เดือนที่ผ่านมานะเจ้าค่ะมีทั้งที่อยู่กูดเดิมแต่ทำไมมันกลัวมาเฉยๆไงเจ้าค่ะแล้วก็สะดุ้งเจ้าค่ะอันนี้ด้านถึงจิตนี่ จิตหนึ่งมีความสุขต่อให้ใครเอาเงินมากองว่าไม่ชี้ศึกชนะไปอยู่ทั้งโลกใช้เงินก้อนนี้อย่าไปวัดไม่เอาต่อให้กี่ร้อยล้านก็ไม่เอาไม่มีความสุขเท่าต้องคนะละเวลาเวลากรรมฐานเสื่อมเนี่ยเอาตอนกรรมฐานอย่างดีไม่เอาแล้วแล้วก็ตอนนี้จิตหมายถึงอาการของจิตก่นะคะอธิบายทีละอย่างอาการของจิตนี่ตอนนี้อยู่ที่ว่า หุดหงิดค่ะซุ่มซ่ามบ่อยค่ะรู้ว่ามันต้องซุ่มท่าเดี๋ยวเราต้องทํำที่หกวันหกจริงๆค่ะแล้วเราก็โกรธให้ตัวเองไม่ใชี้ต้องฝึกตัวนี้นะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเวลามันไหลไปคิดเวลามันพูดนะจิตมันจะกระชอกไปกระชอกมานะให้รู้ทันมันก็ไหวๆด้วยค่ะตรงถุตระอกมาไหวๆแล้วเนี่ยไหวไม่ห้ามนะแต่ว่ามันขึ้นมาครอบใจเราเออมันจะกระชอกไปกระชอกมาให้รู้ทันนะจ้ะค่ะ แล้วก็กับร่างกายจ้ะคะหลวงพ่อเวลาเราไปดูคือมันเกิดความขัดแย้งขัดแย้งทุกบดทุกคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่อยู่ด้วยในที่สุดพอมาอยู่กับตัวเองขัดแย้งกับตัวเองอีกแล้วนั่นแหละไหมมันนิสัยนะอยู่ที่ไหนขัดแย้งหมดเลยพอมาดูกายดูใจก็ขัดแย้งกันอีกเจ้าค่ะไม่เป็นกลางไลดูลงไปอดูกระดูกก็ร้อนไปหมดเหมือนไฟไหม้กระดูกค่ะดูหนังก็ร้อนไปหมดอ๋อสมาธิมันเยอะนะที่ไหม้เลยนะเจ้าค่ะ มันไม่ระเบิดเถิดเทิงเลยหมดตัวเลยเจ้าค่ะแล้วก็เกิดอาการลมแปรปวนเจ้าค่ะเป็นอณิจังสูงมากลมอันเดียวอยู่ในร่างกายอันเดียวแต่แปรปวนบางทีส่งกินจนตัวเองอยู่ไม่ได้เห็นไหมว่าตอนกําลังพูดกําลังหลงอยู่กําลังอินกับการพูดแม่ชีต้องระวังตัวนี้เลยนะตอนพูดปุ๊บมันจะอินอย่างนี้นะให้รู้ทันเอานะใจเราจะได้เป็นแค่คนดู ไม่งั้นเราจะเป็นพูดแสดงแตมจะหลงเข้าไปน ะ, ะลูกไม่เคยมาเจ้าค่ะ <Yeah. S 3> คืออยากจะรู้ว่าการเวลานั่งสมาธิอยู่ก็กำหนดสัมมาอรหังเจ้าค่ะแล้วก็จิตกับกายก็จะรู้ถานว่าจิตกับกายจะอยู่ที่เดียวกันคือคือจะรู้ว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันจะมีสติค่ะมีสติว่า การที่คิดขึ้นมาเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยบางครั้งจะเป็นบาปหรือกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ารู้ว่าเป็นกรรมก็จะตัดออกไปค่ะถ้าหากว่าเป็นบุญที่คิดขึ้นมาดีก็จะคิดไปเรื่อยว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะค่ะไม่ทำบาปอะไรอย่างนี้ค่ะันนัน้นนั้นจะเป็นการยังไม่ถึงวิปัสสนานะเจ้าค่ ะ, ะมันแค่เราละชั่วทาดีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะนะ ให้เรารู้ทันจิตไปจิตมีความสุขให้รู้จิตมีความทุกข์ให้รู้จิตสงบให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้นะเจ้าจิตรอบจิตกโกรธจริตหลงให้รู้รอย่างที่มันเป็นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเจ้านะแล้วปัญญามันเกิดถ้าปัญญาเกิดนะเราอย่าพ้นทุกข์ไปไดนะ้ตรงนั้นเราใช้การคิดเอาอันนั้นมันสําหรับเป็นปัญญาที่จะอยู่กับโลกเจ้านะว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอะไรเงี้ย เป็นเรื่องดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันไม่ขึ้นถึงวิปัสนานั่นเราพยายามยกระดับจิตเราขึ้นมาทําวิปัสนาจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้น ะ, ะรู้อย่างที่มันเป็นนั่วมันจะพัฒนาได้สมาธิที่ฝึกมาก็ดีอยู่น ะ, ะใช้ได้หลวงพ่อเจ้าคะ่ะเวลานั่งเนี่ยคือ คนคุยกันที่ใกล้ๆก็เหมือนได้ยินที่ไกลนะคะเสียงจะเล็กไปเล็กเพราะจิตเราสงบลงมานะมันก็ห่างโลกออกไปแ ล, แ, ลแล้วแล้วแล้วมันก็จะตัดนิ่งไปเลยคออือไม่มีไม่มีอย่างนี้อย่างนี้จิตออจะอยู่อย่างนี้เออแล้วมันก็จะนิ่งค่ะนิ่งออแล้วก็เหมือนกับว่าไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาหรืออะไรค่ะแล้วจะทำยังไงเจ้าคะออกจากสมาธิมาแล้วนะคอยดูใจแต่เดิมมันนิ่งแต่ต่อไปมันจะไม่นิ่งแล้ว ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนั่งไปทําอย่างเดิมนั่นแหละแต่ว่ า, าพอออกจากสมาธิแล้วน ะ, ะให้ดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็ยังงอนเดี๋ยวก็อย่างนี้ให้คอยรู้ทันน้ำมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อคะหนึ่งปีแล้วคะที่ไม่ได้ขอหลวงพ่อตรวจอะคะมไม่ทราบมีอะไรที่หนูไปทําให้การภาวนามันหยุดนิ่งหรือเนิ่นช้าไหมคะต้องสารวจเอาสินะอกุศลอยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญสํารวจเอา มีอะไรเป็นข้อบอกพร่องบ้างหล่ะเห็นไหมที่ที่ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันกระจายออกข้างนอกช่วงนั้นแรกๆมันก็เห็นนะ น, นะคะพอนานๆเข้ามันก็นึกว่าตัวเองหายแล้วเพิ่งรู้ว่ามันยังกระจายออกไปเยอะกว่าเดิมอีกค่ะแล้วก็ติดนานกว่าเดิ ม, มด้วยค่ะแล้วก็วิหารธรรมที่หนูทํำนี่มันสเปะสป่าไปหมดนะคะ อ, อวิหารธรรมต้องไม่สเปะสป่านะมันไม่ค่อยลงเลยค่ะจูมันเหมือนอคนมีบ้านหลายหลังอนะ มันเลยม่มันแต่นั่งรถนะจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นบ้านโน้นไม่ได้พักสักบ้านมันควรจะมีบ้านสักหลังเดียวกับนมรดกการหลวงพ่อค่ะบ้านมาคือก็ทำในรูปแบบทุกวันนะคะเออเห็นโทรสัไหมล่ะเห็นมากเลยเออนะจิตมีโทรสัก็รู้สินะแต่ทีนี้มันดูมากๆมันจะเกิดอาการมันเหนื่อยๆน่อยแล้วก็หน่ายตรงนี้แหละที่จะต้องพัก ต้องพักนะต้องทำสมถะ<อ>นะจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทือจะสวดมนต์อะไรก็ได้แต่เวลาทำสมถะมีเคล็ดลับนะอย่าอยากสงบแค่ว่าเราหายใจไปพุทโทไปอะไรเงี้ยนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้ใจได้พักก่อนถึงจะ<อ>มีแรงคือแล้วสองสามวันนี้ที่ที่หนูเจอสภาวะคือช่วงเช้าที่นั่งสมาธิคือมันไม่ได้ง่วงแต่พอกราบพระพอครั้งที่สามปคมันจะ หายไปเลยอะคะ่ะไม่ได้มีความรู้สึกแล้วร่างกายหายไปไหมหรือจิตใจหายมันหายไปหมดคือมันนิ่งว่างไปหมดเลยนั่นแหละมันอยากพักเต็มทีแล้วมันเหนื่อยนะให้มันพักไป <c oughs> นี่พอมันพักแล้วเนี่ยทอมันถอยออกมามีร่างกายมีจิตใจนะั่งก็ค่อยมาเจริญปัญญาต่อของคุณตอนะนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกจิตมันพักไม่พอให้มันพักบ้าง หลวงพ่อมอีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะก็ต้องซ้อมนะต้องไหวพราส่วนมนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมารู้สบายๆนะสวดมนไปใจฟุ้งซ่านก็รู้ <c oughs> สวดมนไปเรื่อยใจสงบแล้วก็รู้อะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้หวังว่าจะเอาดีอะไรแค่ว่าคิดว่าเราสวดมนบูชาพระพุทธเจ้าหรือเรารู้ลมหายใจเป็นการปฏิบัติบูบบชาพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสูขเอาสงบอะไรเนี่ยมันจะสงบเอง พอมันได้สงบมีเทื่ยมมีแรงนะใจมันไม่ต้องหนีไปอย่างนั้นหนีมากๆเดี๋ยวเคยตัวนะเพราะเหนื่อยตลอดเนี่แล้วพอนั่งสมาธิทีไรหายไปจากโลกทุกทีเลยอย่างนั้นไม่ดีหรอกที่มันหายไปเพราะมันเหนื่อยนะงั้นเราให้มันพักซะเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะเช่นนึกในใจไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ชอบพุโทโธเอาอย่างอื่นก็ได้พอนะใจได้สงบใจได้พักผอ่อนมีแรงเนะีย ออกมาดูกายดูใจมันจะดูได้กระชับกระเฉงไม่หายไปอ้าหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน